วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีสวนรังสิตปากทางเข้าเมืองเอกมองหาโรงงานผลิตและศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสมุนไพรด้วยทีมงานมืออาชีพราคาย่อมยาวปลอดภัยได้มาตรฐานการันตีคุณภาพเชิญที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร 02-592-1999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 8.9.5 เม k ะเฮิร์เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขอาสาดาเนินรายการโดยนัทพลดีอุดควบคุมรายการโดยผู้ช่วยศาสต ร, ราจารย์ดกรกุลกนิตทองเงาสร้างสารและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี จิตอาสาเราภากภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้าใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงใจบวกแรงใจและ เมื่อที่รินเมืม่อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุข <ใ>พร้อมที่จะให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและจิตศรัทธามือ ท, ที่ มเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจ สวครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขอาสานะครับกลับมาพบกับผมนัทพลดีอุดนะครับทุกคืนวันศุกร์แบบนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับกับเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะฮะคนอาสาต่างๆที่เราจะนํามาบอกต่อบอกเล่านํามาแชร์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังในรายการสุขอาสาแห่งนี้นะครับด้วยรายการสุขอาสนะครับเจ้าอากาศทุกคืนวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยมี ผู้ช่วยศาส ต, ตราจารย์ดกรกุลกนิษฐ์ทองเงาเป็นผู้ควบคุมการผลิตรายการนะครับ คุณผู้ฟังครับผ่านไปรวดเร็วมากนะฮะวันนี้เราเข้าสู่เดือนสิงหาคมกันแล้วนะฮะอีกไม่กี่เดือนก็จะถึงปลายปีนะฮะกิจกรรมดีๆที่เรานํามาฝากคุณผู้ฟังตลอดนะฮะซึ่งกิจกรรมอาสาที่เรานํามาฝากเนี่ยทั้ง1ปีทั้งเกือบช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายทั้งคนไปทํากิจกรรมต่างๆองค์กรไปทํากิจกรรมต่า ง, างๆนะครซึ่งวันนี้ก็เช่นเคยนะฮะเราก็จะมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังนะครับซึ่งในช่วงแรกนะฮะคิดอาสาในวันนี้ ผมนำเรื่องราวของกิจกรรมอาสาเล็กๆน้อยๆมาฝากคุณผู้ฟังนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมอาสานะฮะของต่อชด23นะครับในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นะครับที่วัดสว่าง เต็กสมบูรณ์ตำบลทาตุเชิงชุมอเภอเมืองจังสกลนอคร น, นะครับเมื่อวันก่อนนะครับเพราะว่าพลตํารวจเอกริบประพันธ์สารคุณแก้วผู้กํากับการตํารวจตะเวนชายแดนที่23นําจิตอาสาต่อฉดอ23นะครับแต่งกายเสื้อสีเหลืองผูกผ้าพันคอสวมหมวกจิตอาสาจํานวน100่นายร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาเราทําความดีด้วยหัวใจนะครับพัฒนาทําความสะอาดบริเวณวัดตัดหญ้ากวาดใบไม้และปรับปรุงพุทธทัศดให้สวยงามสะด ร่วมรื่นนะครับรวมไปถึงการทําความสะอาดห้องน้ําวัดถือเป็นการประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขและชุมชนนะครับส่วนรวมเพื่อถวายเป็นพระชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาธิบดีศีศินมหาวชิราลงกรพระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562ที่ผ่านมานะครับด้วยโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจเป็นพระชมริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงคำ ถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสําคัญนะครับจึงทรงมีพระราชปณิธานแน่วแนที่จะทําให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชษ ก, กาจารย์ธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิธนะครับในการบําบัดทุกข์บํารุงสุขให้แก่ประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะครับอีกทั้งยังทรงให้หน่ย รัชการในพระองค์ในพื้นที่ต่างๆและประชาชนผู้มีจิตอาสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอาทิปัญหาสาธารณภัยปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเลยนะครับอีกหนึ่งข่าวนะครับเป็นการมอบโล่ดีเด่นให้กับบุคคลและองค์กรในการชวนคนเลิกบุหรี่นะครับ โดวันที่1สิงหาคม2562ที่ผ่านมาครับนางวันทนีวัฒนารองประลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานมอบโลก่กติยศแก่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นในการชวนผู้สูบบุหรี่ให้เลิกบุหรี่นะครับตามโครงการ3ร้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยนะครับเทิดไทองค์ราชันของกรุงเทพมหานครณโรงแรมปิ้นพาเลทมหานาคเขตป้อมปราบสตูพ่ายนะฮะด้วยกล่าวว่ากรุงเทพมหานครเล็งเห็นถึงความสําคัญของการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้ปลอดภัยจาก ควนบุรีเนื่องจากองค์การอนามัยโลกนะครับพบว่าการสูบบุหรี่เป็นภัยร้ายแรงที่ฆ่าชีวิตประชากรทั่วโลกถึง8ล้านคนต่อปีและยังมีเป้าหมายลดจํานวนผู้สูบบุหรี่ให้ลดลงร้อยละ30ในปี2568ซึ่งกรุงเทพมหานครนะครับมีประชากรที่สูบบุหรี่ประมาณ 1.2 ล้านคนจึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้นครับโดยการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธรารณสุขกรุงเทพมหานครอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยภยาเสพติดและพนักงานในสถาน กอบการให้เป็นผู้ ท้าชวนสูบุรี่ให้เลิกสูบุรี่นะครับตั้งแต่ปี 2,560 ถึงปัจจุบันเลยนะครับมีเครือข่ายอาสาสมัครชวนผู้สูบุรี่ให้เลิกสูบุรี่แล้วจํานวนทั้งสิ้น 1,621 รายและพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพของศูนย์บริการสาธารณสุขนะครับเจ้าหน้าที่สํานัก ง, งานเขตเป็นพี่เลี้ยงให้คาแนะนําด้วยปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเลิกบุหรี่แล้วจํานวน 32,182 คนนะครับสำหรับบุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นที่ได้รับโล่เกียรติยศบุคคล จำนวนเจ็ดลายอาทิคุณย่งอามแชร์นะครับศิลปินดีเด่นแบบอย่างเลือกบุรีนายวันชัยบานแย้มเลขานุ ก, การสมคมผู้ ไร้กล่องเสียงในประเทศไทยผู้พิการตัดกล่องเสียงเป็นวิทยากรมาบรรยายนะครับผลกระทบของการสูบบุหรี่และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อช่วยเลิกบุหรี่กว่า19ปีนะครับนายธรรมศักดิ์มากนครอาสาสมัครสาธา ร, รณาสุขศูนย์บริการสาธารณสุข47คลองขวา ง, งนางสุรัตวดีไกรสอนรองผู้บรการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บริษัท มีค้อสตรีทจำกัดมหาชนส่งเสริมกิจกรรมพนักงานเลิกบุหรี่ได้มากกว่า15คนและพัฒนาไปสู่การสร้างบุคคลและองค์กรต้นแบบเลิกบุหรี่นะครับและหน่วยงานประกอบไปด้วยสารศึกษา4แห่งสถานประกอบการ4แห่งศูนย์บริการสาธารณสุข หรือทีมอาสาสมัครสาธารณสุขรวมสิแห่งด้วยกันนะครับทั้งนี้นะครับกรุงเทพมหานครจะเดินหน้าต่อเพื่อช่วยผู้สูบบุหรี่เนี่ยให้สามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย6เดือนนะครับด้วยอาศัยความร่วมมือจากอาสาสมัครท้าชวนเลิกบุหรี่นี่แหละครับศูนย์บริการสาธารณสุขและสำนักงเขตในการติดตามให้คําแนะนําประชาชนครับ คุณผู้ฟังครับนี่คือ2ข่าวในช่วงแรกที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของคิดอาสานะครับกับการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นะครับที่จังหวัดสกลนครนะครับรวมถึงกิจกรรมการมอบโล่ดีเด่นให้กับบุคคลองค์กรที่ชวนเลิกบุหรี่ของกรุงเทพมหานครที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกนี้กับช่วงคิดอาสานะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของคนอาสาจากบริษัทมิตซูประเทศไทยนะครับที่ได้นําทีมพนักงานจิตอาสากว่า5้า คนจาก11บริษัทในกลุ่มนะฮะร่วมกิจกรรมการปลูกป่าและเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล น, นะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้เตรียมไว้แล้วในช่วงหน้าคนอาสารนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับสถานสุขภาพความงามบัวสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการพกแพทย์แผนไทยราชมงคลทัญบุรี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 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบรุรีศูนย์เริงสิทธิ์ปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิ่มเติม0 2 5ย์ส9งห้าเพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบรุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้รวบรวมสายพันธุ์บัวมากกว่า100สายพันธุ์ทั้งบัวพันธุ์ไทยหายาก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 จอทีวีขนาดใหญ่และ w i ไฟความเร็วสูงสอบถามและสำรองพื้นที่การใช้งานโทร092 318 9887หรือที่แฟนเพจ RMUTT Innovation and Knowledge Center ศูนย์น ว, วัตกรรมและความรู้ชั้น7ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั้นสถานสุขภาพความงามบัวสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการพกแพทย์แผนไทย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 และสาขาที่2วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบรุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิ่มเติม02 592 1933 กลับมากับช่วงนี้กับช่วงของคนอาสานะครับคนอาสาวันนี้นำเรื่องราวจากบริษัทมิตซูบิชิประเทศไทยอิเล็กทริกนะครับที่ได้นำทีมพนักงานจิตอาสากว่า500คนนะครับจาก11บริษัทในกลุ่มร่วมกิจกรรมปลูกป่าสร้างฝายและเปิดธนาคารขยะรีไซเคิลนะครับและโดยเฉพาะกิจกรรมขยะ าธานาคารขยายธุรกิจนี้นะครับได้ดําเนินการจัดตั้งร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองง่วงซึ่งถือเป็นศูนย์กลางในพื้นที่ของชุมชนในตําบลชุมแสงอําเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะครับโดยมิสเตอร์มาทาชิเคโอชิมะรองประธานกรรมการมุทิมิซูมิชิอิเล็กทริกไทยนะฮะกล่าวว่าด้วยภารกิจของกลุ่มบริษัทนะครับที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่านะครับทางบริษัทจึงมีความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงเพื่อ สิ่งที่ดีกว่าไม่เพียงแค่การพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและนำเสนอเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของสังคมนะครับ ทางบริษัทเองนะครับยังมุ่งหวังในการเติบโตอย่างยั่งยืนในฐานะบริษัทชั้นนำแนวหน้าด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกนะครับยโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนบ้านหนองง่วงถือเป็นโครงการลิเริ่มปลูกฝังให้กับเด็กและเยาวชนตราหนักถึงปัญหาขยะและเรียนรู้ที่จะจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากนักเรียนในโรงเรียนด้วยมี ครูที่ปรึกษากิจกรรมเป็นหนึ่งในคณะทํางานด้วยนะครับโดยครูสามารถบุญสมหรือครูมาศนะครับครูที่ปรึกษาโครงการธานาคารขยะ Re ไซเคิได้เล่านะครับว่าทางโรงเรียนบ้านหนองง่วงเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาชั้นปีที่6กก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนมีปัญหาเรื่องของการจัดการขยะทั้งการ ทิ้งขยะที่ไม่เป็นที่ทิ้งขยะไม่ลงถังและไม่มีการคัดแยกขยะนะครับทำให้บรรยากาศในโรงเรียนเนี่ยไม่สะอาดอีกทั้งความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในการจัดการเรื่องขยะค่อนข้างน้อยคณะครูก็พยายามให้ข้อมูลให้ความรู้กับนักเรียนนะครับโดยเน้นที่เด็กโตเป็นหลักเพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการด้านขยะให้กับน้องๆแต่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่นักนะครับจนมีโครงการธนาคารขยะรีไซเคลิลที่ได้รับการสนับสนุนจากวันที่ มิสูบิซิอิเล็กทริกไทยนะครับเข้ามาช่วยการวางแผนดําเนินโครงการการจัดโครงการการสร้างธนาคารตลอดจนการอบรมให้ความรู้ให้กับเด็กๆนักเรียนนะครับทำให้นักเรียนได้รู้จักแยกขยะตามหมวดหมู่และยังรู้จักการช่วยการประชาสัมพันธ์โครงการไปยังครอบครัวพร้อมเก็บขยะจากบริเวณโรงเรียนบ้านและชุมชนนํากลับมาขายให้กับธนาคารขยะนะครับโดยจะมีร้านรับซื้อของเก่าในชุมชนเข้ามาซื้อจากธนาคารขยะต่อไปอีกครั้งเพื่อเป็นการสร้างไรายได้ช่วยแบ่งเบา ภาระของผู้ปกครองและยังเป็นการสร้างจิตสำนึกสาธารณ ะ, ะให้ติดตัวพวกเขาไปตลอดนะครับโดยในช่วงแรกๆที่เปิดรับสมัครนะครับสมาชิกมีเด็กๆสนใจไม่มากนักแต่ตอนนี้ มีทั้งนักเรียนในโรงเรียนนะครับเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 90% ซด้วยธนาคารนะคจะเปิดทำการในทุกๆวันพรฤหัสบดีเป็นจุดนัดพบให้กับนักเรียนนำขยายที่ได้เก็บสะสมไว้ตลอดสัปดาห์เข้ามาสู่กระบวนการของธนาคารที่มีเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่คัดแยกช่างน้ำหนักจดบันทึกคิดราคาบัญชีและทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยกันทางานอย่าง แข่งขันนะครับนักเรียนที่นำขยะมาฝากธนาคารก็ทยอยกันเข้ามาด้วยรอยยิ้มซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทางโรงเรียนจะสามารถปลูกฝังให้กับเด็กๆที่จะเจริญเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตโดยครูสามารถกล่าวแบบนี้นะครับโดยเมื่อถามถึงขั้นตอนการดำเนินงานฝากขยะเข้าสู่ธนาคารน้องโชกุนเด็กชายโครมกริบชื่นจิตนะครับอายุ12ปีเจ้าหน้าที่ขัดแยกและช่างน้าหนัก ะะที่ได้เล่าให้ฟังด้วยรอยยิ้มนะครับว่าเพื่อนๆและน้องๆทุกคนที่นำขยะมาฝากธานาคารจะต้องผ่านขั้นตอนตั้งแต่คัดแยกประเภทชั่งน้ำหนักคิดราคาและจดบันทึกให้เป็นข้อมูลซึ่งน้องโชกุนเองจะทำหน้าที่ในการคัดแยกขยะของทุกคนตามประเภทและแบ่งออกเป็นพลาสติกขวดแก้วกระดาษเหล็กและอลูมิเนียมก่อนที่จะนามาชั่งน้าหนักนะครับโดยสาหรับน้องโชกุนเองนะครับธานาคารขยะนะครับ ต่างจากธนาคารทั่วไปเพราะสมาชิกไม่ต้องนำเงินไปฝากที่ธนาคารแต่เอาขยะที่คิดว่าไม่มีค่าเข้ามาฝากในธนาคารนะครับและถอนออกไปเป็นเงินได้ทำให้น้องโชกุนเองและเพื่อนเพื่อน้องๆในโรงเรียนรวมถึงผู้ปกครองเห็นประโยชน์ของขยะมากขึ้นโดยทุกคนช่วยกันเก็บคัดแยกประเภททิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางทำให้โรงเรียนชุมชนสะอาดน่าอยู่ขึ้นนะครับ คุณผู้ฟังครับและนี่คือกลุ่มตัวแทนธนาคารขยะรีไซเคิลตัวน้อยนะครับที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาขยะในโรงเรียนและชุมชนด้วยการลดปริมาณขยะคัดแยกให้ถูกประเภท จัดเก็บอย่างเหมาะสมเรียนรู้การรีไซเคิลขยะอย่างถูกวิธีและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการออมเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนขยะที่ไร้ค่าให้มีคุณค่าอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนะครับก็ขอขอบคุณโครงการดีๆจากผู้ใหญ่ใจดีที่ไปสนับสนุนน้องๆในโรงเรียนให้เกิดกิจกรรมดีๆให้รู้ค่าถึงขยะรวมถึงรู้จักการออมอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มคนอาสาหนึ่งกลุ่มบริษัทอาสาที่สร้างประโยชน์ดีๆให้กับสังคมไทยนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้ ช่วงหน้านะฮะในช่วงของภารกิจจิตอาสาครับคุณผู้ฟังผมมีเรื่องราวของการร่วมบริจาคสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินมาฝากคุณผู้ฟังกันครับศูนย์นวัตกรรมความรู้ rmutt innovation and knowledge center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีเปิดโซนใหม่พร้อมให้บริการกับทุกท่านแล้วที่นี่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 กลับมากับช่วงสุดท้ายภารกิจจิตอาสาขับคุณทุกฟังภารกิจจิตอาสาในวันนี้มีเรื่องราวของการร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จกกักรีนฤบดินนะครับคณะแพท ย, ายศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล น, นะครับสถานที่นะคะที่สถาบันการแพทย์จกกัก ร, รีนฤบดินตั้งอยู่ที่เทศบาล บางปูซอย119่งานะครับตำบลบางปลาอําเภอบางพรีจังหวัดสมุทรปราการนะครับบนเนื้อที่ประมาณ319ร้้ไร่ที่อยู่กับชายฝั่งทะเลตะวันตกกิโลเมตรที่49ถนนสุขุมวิทสายเก่านะครับระหว่างบางปูกับคลองดานซึ่งบริเวณนี้อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและยังอยู่ไม่ห่างไกลจากพื้นที่ตั้งของมูทิรูปพระบดนะครับซึ่งเป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัาบาลการแพทย์แห่งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ เป็นการเพื่อเป็นสถานที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแห่งใหม่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา ทิบดีนะครับและมีโรงพยาบาลที่สามารถให้บริการสุขภาพและการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและเพื่อให้การดูแลและส่งบริการตรวจรักษาแก่ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานจากต่างจังหวัดมาเพื่อประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่จํานวนมากนะครับโดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ที่มุลทิรามาธิบดีนะครับหมายเลขโทรศัพท์02 สอ1 11 11 1ูนย์หนึ่งหนะครับศูนย์สองสอใครสนใจสามารถติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ได้นะครับคุณผู้ฟังครับและวันนี้เราครบทั้ง3ช่วงรายการแล้วทั้งคิดอาสาคนอาสารวมถึงภารกิจจิตอาสาที่นํามาบอกกล่าวบอกเล่านํามาแชร์บอกต่อให้คุณผู้ฟังได้รับฟังในรายการสุขอาสาในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับกลับพบกับผมได้ใหม่ทุกวันสุขแบบนี้กับรายการสุขอาสาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา มงคลแันญบุรีสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังลากันไปแล้วครับสวัสดีครับรร้ออมเสสียสละจาาาาจิิตาาภูใ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 <น>แม่เป็นพลังนำพาสู่ความสุข พาภูมิใจ